ถมว่ากรณีที่ท่านจะทําฌาตสมาบัตให้เกิดขึ้นก็ดีการที่ท่านจะฝึกสมาธิฝึกปัญญาทั้งหลายให้เกิดขึ้นการแก้ปัญหาทั้หา ท, ที่เกิดขึ้นมัมมนมาจาข้อมูลที่แผนที่ที่ท่านเข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะยิบเอาไปแชที่ไปนั่งศึกษามากล่าว เลยเพราะจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าการที่จะปฏิบัติถูกหรือไม่ถูก แ, แผนที่มันต้องชัดฉะนั้นเรื่องแผนที่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านยกพระไตรวิฎกทุกอัตภาพในขณะที่มีวุติเจ้าบัตรเกิดขึ้นทรงพ่ะไตรวิฎกหมดเลยนะและส่งแบบทะลุทะลวงด้วยนะส่งแบบทะลุทะลวงด้วยฝังเป็นอัธยาศัยไปในภพที่ไม่มีวุติเจ้าก็สามารถแก้ปัญหาเองได้ขนาดนั้น นี่เป็นขนาดนึงนห่งเวลาเขาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องยั้งใจท่านตลอดยับยั้งชังใจตลอดเพราะถ้าปล่อยความรู้สึกตามพระธรรมปรีิญนากราุดเลยมป็นรู้เฉยเลยความนี้ตั้งใจท่านจะต้องมีความกรุณาในสัตว์ผูกไว้ต้องผูสกสัตว์ไว้คือคือตอนนั้นให้ปัญญาเด่นไม่ได้ต้องให้กรุณาเด่นใช้ไหมครับ ถ้าปัญญาเด่นปุ๊บก็กลายเป็นบรนรู้ธรรมเลยทันทีการจะฝังอันนี้ฝังนี้ใหญ่เยอะย่มต้ังฝังความเข้าใจความรู้ศรัทธาทุกอย่างเนี้ยฝังให้มันลึกที่สุดที่จริงตรงนี้ก็คือการที่เราทำและการที่ไม่หลงไม่เสียเลยสติการที่เราลึกเนี่ยถทำ่าต่อเ น, นื่องการปฏิบัติกันต่อเนื่องคืการฝัง แล้วในขณะเดียวกันก็ตั้งเกียรติจมงตลอดว่าขอให้ขอให้กระแสขึ้นเข้รราไปเจ้าเน่ยฝังแน่นในพระราชานาจิขอให้เข้าไปเจ้าในทุกอัตภาพที่เกิดมีพระราชานาจัยเป็นหลักนําชีวิตเท่านั้นอย่าได้มีตัณหามณะที่สี่เป็นหลักนําชีวิตมันอธิษฐานตลอดตั้งตั้ ง, งอัตยาใจตลอดขอมีมี ม, ม, มีพระราชานาจัยมีพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักนําชีวิต มีปัญญาเป็นหลักนำชีวิตมีสติเป็นหลักนำชีวิตมีสมาธิเป็นหลักนำชีวิตมีความเพียรเป็นหลักนำชีวิตมีศรัทธาเป็นหลักนำชีวิตถ้าเรียนมัคแปดก็มีสมาธิถี่เป็นหลักนำชีวิตเท่านั้นมีสมาธิขปเป็นหลักนำชีวิตสมาสมาวาจาสมากรรมต่างสมาชีวะสมาเวมมะสมาเสดิสมาสมาธิมีอริยมรรคมีออกแบเป็นหลักนำชีวิตเท่านั้นอย่าได้มีวิฉามากเป็นหลักนำชีวิตเลยขนาดนั้นเลยฟังตลอด แล้วไม่ฝังอย่างเดียวลงมือปฏิบัติทําทํานําทําตอนนี้ เ, เหลือไหมแบบนี้ไม่เหลือเลยมันคงเลยทีนี้เห็นอะไรเขา้าใจเอ๊ะงงประชีวิตตัวเองมาเกิดไม่อัตภาพไหนคือเขาทําไมเราคิดโมรีงได้แต่เราเห็นคิดไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนท่านพุทิสัจเนี่ยท่านเห็นภาพนันแก้ปัญหาปุ๊บปุ๊บได้หมดเลยโอท่านไม่ได้เรียนผิวเผิเนเอาไปปฏิบัติลงมือทําปฏิบัติลงมือทํา ในชีวิตจริงเราพูดท่านเรียนอย่างมากเลยนี่ะทุกขสัจจะมีพยัญชนะเท่าไรเรียนหมดเรียนหมดคำว่าพยัญชนะของทุกมันหลากหลายเนี่ยเช่นกระแสชีวิตของนั้นนัยเรียนหมดกระแสชีวิตพุโยมีเรียนหมดเรียนหมดเลียนหมดเรียนหมดรอบรู้มันทั้งหมดเลยใช่ไหมรู้ทุกขสัจรู้สมุทยะสัจจะของทัานนัยทั้งหมดด้วยรู้ว่าจะทําจุดหมายตัวนี้รอดให้คนกิเลสพิสดาอย่างเงี้ย จะจะวางนิโรธให้เขายัางไงแล้วจะใช้มาร์คอไหนในการที่จะเคลียหรือเป็นเครื่องแนวทางให้เขาไปถึงนิโรธนั้นขนาดนั้นอย่างพวกเรานี่เรียนเพื่อให้ตัวเองรอด <c oughs> <c oughs> พยัญชนะไม่ต้องหลากหลายมา ก, มกเพราะฉนั้พยัญชนะของทุกสมุทัยนิโรธมากเลยเอาเพียงพอต่อการอัตยาสายตัวเองที่จะพ้นทุกอย่างอื่นเป็นของแถมแต่จุดหมายหลักเอาตัวเอง อย่างนี้ต้องละฉะนั้นอย่าอย่าไปกังวลว่เออถ้าท่านจะเจริญฌานสมาบัตินี่ถ้าท่านไปเรียนฌานไงไม่เรียนได้ไงถ้าไม่เรียนก็เป็นวิชาสมาธิท่าท่านได้ฌานมิดติดเหมือนดาราดาบาทดวงใจานบนนี่ถ้าขอ้อมูลไม่เจริงจิงไงไขนาดมีอยู่อัตภาพหนึ่งสังเกตไหมที่ท่านเป็นวิชาทิเกีย อ, อพอใกล้จะตาย อ, อ่ะชั่วมากๆพอใกล้จะตายพบนิมิตไม่ดีปรากฏท่านถอนเอ้ยอีก เฮ้ยผิดแล้วเว้ยเราเรานี่ยถ้าแก้ไขทันในขนาดนั้ น, นไปสุคติได้นขนาดนั้นเลยเนี่ยอย่างเราจะแก้ทันไหมเนี่ยี เ, เป็นมือบางชาติเป็นวิชาที่ดีพอนิมิตปรากฏใกล้จะตายเล้ยตกใจเลยวิ่ยนี่เราเข้าใจผิดเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย ง, งานนี้ต้องแก้ไขแก้ไขในปัจจุบันตันด่วนทันเลยเนี่นี่ถ้าข้อมูลไม่จริงจริงยังไม่มีทางใช่ไหม นีแผนที่ต้องชัดจริงๆใช่ไหมเพราะมันมันมันหลงไปหมดแล้วพอ nimit ม, มาปรากฏเนี่ยมันเนี่ยออบายภูมิที่ว่าปรากฏเนี่ยถอนกลับทันทีเลยเนี่ยอย่างเราก็จมดิ่งลยมันเราประเภทที่วิ่งแล้วเบรคไม่อยู่ถ้าทําชั่วละชั่วสุดจกักเจ้มันไม่มียั้งเลยไม่มีตัวยั้งเลยได้เบ้นไหมเวลาไปทําชั่วละสุดสุดเลยว่ากันเถอะอ๋อมันอ๋อมันถึงใจเลยว่ากันเถอะ คนทําชั่วขนาดนั้นเลยนะเคยไหมล่ะทําชั่วอั น, นสุดๆไปเล ย, เลยประเภทที่ลืมเนื้อลืมตัวเลยเปแปลกฉันเองมีจุดดีอย่างเวลาจะไปทําชั่วเนี่ยมันทำได้สุดยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเขาไปกินเหล้าฉันก็ไปได้งกินกาแฟนี่แต่ฉันไม่จมกับมัน แป๊บเดียวออกอะไรแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เบอนไม่เบอร์นเเออไม่ร้องเพลงฉันไปร้องร้องร้องฉันเห็นคนเนี่ยฉันนึกอือหึใจมันไม่อินไปกับการร้องกาดนตรีกับอะไรทุกอย่างเน่ะมันมันคล้ายๆว่าพอมันจะลงพุ่มอย่ามันถอนกลับจะลงพุ่มมันถอนกลับตลอดนี้ตลอดเนี่ยมันจะมีตัวตัวกระตุกกลับกระตุกกลับตลอดตั้งแต่ไะไแต่อะไรเลยมีไหมตอนนี้มีจ้ะแต่ว่าไม่แข็งแรง แต่ร oh. uh ู้ว่าเวลาที่ตั้งแต่เด็กๆเนี่มันจะมีไอ้ตัวที่เหมือนเตือนแต่เราไม่ได้มันไม่แข็งแรงเราไม่เชื่อตัวที่เตือนแต่เราไม่กล้าที่จะไม่ตามหมู่ออันเนี้ยคือตัวที่ไม่ที่เห็นที่พยายามมองย้อนกับไปน้องแต่เด็กเหมือนตั้งแต่อะไรเนี่ยไอ้ตัวเตือนตัวอะไรเนี่ยมันมีมีมาอยู่ในอย่างไปเที่ยวดูมหอราศพไปเที่ยวมหอราศพอะไรเนย ไปเขาพากันสนุกสนานก็ไปไปแวสสะกับเขาแบๆพอประมาณสักสามทุกๆที่กอืบพี่ทำไมไม่กลับแล้วไม่ไม่ไมสนิทมันจะมีใจอยากกลับเนาะมันจะมีใจอยากออกแต่มันไม่กล้าอันนี้อันนี้อันนี้ออกเลยอันนี้ยอมเป็นออกทันทีเลยไม่ไมีเพลนะแล้วก็เลยรู้สึกมั น, มนไมน่สวยทําไมเนาะเราถึงสุขในเรื่องนี้ได้ไหมนะ ส่วนการดูภาพยนตร์เนี่ยแค่จะทนดูให้จบเป็ยากยากสุดๆเลยฉันเพียมยายามมากเลยนะจะดูให้มันจบ้าพยนมันมีไหลปแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นภาพยนตร์กอได้อะไรได้แต่กอจะม้วนจะพังสมัยก่อนเป็นกรเยอะเป็นแผ่นกอกอปื๊ด <c oughs> ปื๊ด <c oughs> ปืด <c oughs> ไปข้างหน้า ดูนิดหนึ่งปื้ดปื้ดปืดไปข้างหน้าดูนิดหนึ่งปื้ดปืดไปข้างหน้าโอเคจบขับแล้วจะไม่มีเพลินเช่นฉากลักเอยฉากเพลินฉากไปเที่ย ว, วตรงนั้นเฮ้ยไปคลิกพลิกไปไรสาระตรงนี้เอาสาระเมันที่มันพูดเอาสาระที่พูดมันจะไปอย่างนี้อันนี้ไหม่ะคะอันนี้จะสอนมากเป็นภาพยนตน์มาก่อนแม้แต่อ่านหนังสือนีอนออาก็จะเห็นภาพอ่านหนังสือเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นภาพเหมือนได้ดูหนังเลย เป็นคนควลาฉันฟังคนที่เขาเล่าเรื่องเหมือนเล่านวนิยายเนี่ยฉันรู้สึกอืนมันรู้สึกมันยืนเยินเยอะเกินเยินเยอะเลยเกินขอย่อะย่อไม่ไ <Weihn acht> ต้องไอเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องมาฉันนึก อ, อ่านนวนิยายจียนอะไรต่างไม่ได้ฉันไปเห็นเนี่ยโกลุงโกเล้งมาดูมาหมดเลยดูดูดูพลิกปุ๊บ เขาดูกันโอ้โหอ่านก้นใกบบนกาดหมดเลยเป็นคนไม่มีสนตรีนี่นเลยเป็นคนครงแต่งภาพเด็กๆไม่ได้ไปไหนนะคะที่บ้านหวัวเขาเพื่อนเข้าไปดูหนังกันเนี่ยเวลาเขาไม่ดูกันเขาจะกลับมาแนละ้วบอกให้เขาเล่าให้ฟังเวลาที่เขาเล่าให้ฟังนี่ฟังเข้าใจของเราเพราะว่เรามีความรู้สึกอะไรได้ไปดูหนังเป็นแต่บาทที่ดีนะ อ ย, ยื่องไหนนะะเนี่ยไอ้หนังเลยเล่าหนังที่ยากบางเร่องมากสองสพราะเขาพูดถึงหนังเล่าเหมือนเห็นภาพหมดแล้เลยไปคือันพยายามที่พยายามอยากจะจมกับมันนะมันไม่สนุกมันไม่สนุกเลยต้องต้องตัดทงใจเลยว่าเพื่อนคือเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้าง ที่มีความไม่ดีว่าเราอยากเป็นให้เราอยากเป็นอย่างเขาเราก็เลยเปนตามเราไม่มีไม่มีตัวอย่างที่ดีเราก็ตามที่ดีคือเขาอยากเป็นในที่นี้ฉันบอกว่ามันจะได้ไม่ขว่าคนก็กดพยายามให่ดีพยายามแล้วพยายามอีก <c oughs> ็แล้วเวลากลับมาอยู่บ้านมาอยู่หน้าที่ต่า ง, งๆก็ไม่มีหลักชีวิต ปัญหาไม่เจอว่าอะไรมันเป็นความสุขดอกเพื่อนว่าอะไรมันสุกชื่อบอกหน่อยดิเขบอกมึงก็อย่าไปจริงจังกับมันดิโอเมื่กี้เนี่ยมึงกิกนนัง่งกินเล่ากับกูเนี่ยมึงก็เพลินคุยนั่นคุยเนี่อ่ะกูจะลองทําดูเขาเปิด <c oughs> มันไม่ได้ว่า วันนียมันมันนั่งมาเนี่ยมันสามสิบนาทีแล้วนะเนี่ยมันชั่วโมงแล้วนะเนี่ยมันนั่งแตะนั่งผิดแล้วมึงคุยกันทีเลยเรื่องไร้สาระหมดเลยอ่ะมึงช่วยคุยให้มันมีความสุขหน่อยตัวมึงไปคุยเรื่องอะไรคุยในเรื่องที่มันเป็นปัญญาที่มันได้เหตุได้ผลเนี่ยบอกเฮ้ยงั้นก็หมดสนุกแล้วัต่นั้นเป็นไปมันไปกับเขาไม่ได้มันไปไม่ได้ก็คือจะมาคุยเล่นคุย ปาลบอดีตปาลบบอกโหนี่ท่านสวยไหมวะไอ้งไงเนะี่ยผู้หญิงคนท่านสวยมอเปส่วนใหญ่ผมก็จะไหลๆไปผมจะเป็นคนแต่ว่ามีมีแค่มีแค่ครั้งหนึ่งครั้งแรกที่ที่ไปกินเหล้ากับเพื่อนที่เข้าวสารก็อยากรู้เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยในยชีวิต แ, แล้วก็ทากินเข้าไป แต่ก็สังเกตว่าเอ้ยนี่มันมันมั น, มนสุกแล้วใช่ไหมแค่นี้เงครับเพราะผมพอะทิศไหนที่เขาบอกว่าสุกอ่ะเออนี่มันสุกแล้วใช่ไหมมีแค่เสียงด น, นตรีแล้วก็บรรยากาศภาพมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเงินแพงๆนะมันก็แค่นั้นามานั่งช่างใจเริ่มสมัยก่อนมันไม่มีห้างจริงตอนที่ฉันเป็นค้าเนี่ยเขาอนิมุนทีกันเข้าไปในห้างอะไรอะไรก็ไเลย มันสุกยังไงเนี่ยมันสุกยังไงเนี่มันมันมันเหมือนเนมันมันมองยังไงมันมันมันหมดแล้วมันไม่มีเลยมันได้เสใจโอก็โรงพยาบาลก็ห้างกเดียวกันยอดเดียวกันที่เราเห็นหมูสัตว์ที่มันไหลอยียงเดียวแล้วเวลาไปจ้องดูภาพยนตร์เนี่ยไปจ้องดู ดูดูว่ามันได้ปัญญาดูว่ามันได้สาระดูเรื่อเป็นประโยชน์มันหาไม่เจอไงมันหาตรงนั้นไม่เจอคือก่อนยมได้เยอะยอมจะไปจับหนังนี่ในความรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลเราได้คือเวลามันมันมันแสดงสิ่งที่มันไม่ถูกเช่นว่าความจริงกับชีวิตจริงมันไม่ได้ นี่ไอ้สิ่งที่เขาแสดงกับชีวิตจริงมันคนละเรื่องกันมันเป็นไปไม่ได้เป็นคันเป็นคันรู้สึกมันไม่ใช่เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเขามีปัญหาและเจอหน้ากันก็ต้องต้องใส่อารมณ์กันเต็มที่ใช่ไหมในชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเราคุยกับลูกเนี่ยพ่อแม่คุยกับลกก็ไม่เห็นแค่นี้ฉันรู้สึกรัะอายใจมากเลย คือละอายใจว่าเราอายแทนเขาทําไมต้องปั้นหน้าขนาดนั้นต้องปุ้มแต่งขนาดนั้นทั้งทั้งชีวิตจริงเขาเวลาเขาคุยกับพ่อกับแม่เป็นแบบนั้น ไ, ม, ไม่เป็นคือต้องปั้นหน้าต้องรู้สึกฉันก็ขนลุกไอเขาก็ขนลุกในที่ที่ฉันอายไงอายมันดูไม่ได้ทนดูไม่ได้แบบเนี้เกิดเหตุเด็ืดหนังฝรั่งเยอะเด็กๆเนี่ยคือจะดูดูแต่หงฝรั่งว่า ในในความเข้าใจของเราคือเราจะตื่นตาตื่นใจกับบา้านกับของกับวิถีชีวิตซึ่งสมดแไมก่อนจะกะด็ดูจะก็ดูเอ็นหนังขาวบอยอบหนังฝรั่งหนังข้าวบอยยิ่มานั่งนิดนี่ฮะมันไปท่าดวนยิงกันเนี่ย <laughs> ต้นเหไอ้บ้านนี่เก่งกันเออน่ะเก่งต้นเห อีฝายจริงๆไม่ถูกอีกฝายจริงๆถูกเนะี่ยยิงปุ๊บแล้วเจาะรูเจาะนี่อะไรเดี uh, ๋ยวนั่โอ้ยนี่เกิเหตุแล้วแล้วเอามามารีเพย์แต่เราลองเอามาดูดิ <laughs> ดูเดี๋ยวนี้ก็เป็นบางทีจะนลองเข้าไปดูโอ้ันยังหลอกเหมือนเดิมเลยวะเนี่ยชีวิตเนี่ยฉ <laughs> ันดูหมดแหละฉันลองดูดูตัง้งแต่เป็นคาราวาจฉันก็ดูอะไรอะไรดู <laughs> จะดูเอามาในเมืองก็มาดูดูโอ้ไม่ไหว ไปทุกที่ที่เขาคิดว่ามันจะให้ความทั้งอยู่ในปา่าจะมีความสุขออกในปา่าจะมีความสุขผลปรากฏว่ามันใจอะไรมันจะหมองหมองมันคิดเกินมันเห็นทะลุมันเกินคิดเกินอย่างมันเป็นตผลเสียว่าเป็นคนเลยไม่มีความสุขกับเพื่อมนุษย์ไม่มีความสุขกับธรรมชาติ แล้วก็ไม่มีความสุขกับกิจกรรมของชีวิตรักกับธรรมชาติประจานไม่มีได้กค่เดียเพราะว่ามันมันหลอกเราไม่ได้มันจะไม่เราเพินไม่ได้เแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นคือมันมันสุดโต่งเว้ต้องต้องยอมรับในชีวิตที่สุดโต่อยู่กับธรรมชาติแล้วอยู่ทุกไยอยู่แล้วมันได้อะไรอยงนี้มันคิดเปนี้มันเนหมือนนกมันหนูได้ไงชีวิตต้องมอกใช่ไหมมันมันอยู่ไม่ได้ไง มันยืมเพื่อนๆมันต้องมันหนูไม่ได้ทีนี้ทีนี้ในยุคนั้นมันก like ็เห็นป cool. ัญหาของของของคลมคนมันจนสิ่งที่มันคิดเก่าคิดเราจะแก้ปัญหาไม่ได้จริงทำไงเนี่ยมนุษย์ที่มันจนจนมันยืมแล้จะหางานได้ก็ทำาล้วจะทำยังไงก็มนกระดืกูได้เลยกลุ่มพวกนี้ก็คิดอะไรไม่เป็นเลยมันก็ต้องไปคิดให้เก่า เห็นแล้วมันโอ้ไม่ไหวเห็นเขาจดพอเราเริ่มคิดได้เนี่ยทุกคนก็มาเลยเนื่อยใหญ่เลยเลยเนี้ยเพราะการคิดงานแต่ละงานก็เยอะนั <ER ่นปุ๊บเหมือยพวกนี้รออย่างเดียวว่าขอให้มีงานทําเมื่อไหร่จะมาจ้างเมื่อไร่จะมีงานให้ทํามาแล้วสิบคนยี่สิบคน สามสิบนน ะ, ะเข้านะไปร้อยงูเรื่องจะไม่ได้เรื่องเลยเว้ยนี่มันเหนื่อยขึ้นแล้วกลับไปก็ไปนอนทีดแล้วมันจะมันจ ะ, นจะทํายังไงให้มันสุขกันได้จริงอย่าง้มันลคิดดูมันทุกวันจะโง่แ<อ>บบว่าตายเลยแต่โม่คิดอย่างนั้นเลยมันช่วยได้ไม่หมดใช่ไหมแต่มันก็ควรช่วยนะนะั่นแะกวรช่วย อ๋อเพิ่งจะมารู้ตอนนำบทเพราะความคิดที่มันผิดนี่เองใช่ไหมมนุษย์มันจะมีอากัปกิริยาต่างๆมันถูกความคิดผิดเนี่ยชักลากพาถูไปเลยะแสชีมันเลยดาเนินชีวิตผิดเพราะมันมาจากไอความเห็นผิดนีงอ๋อเพราะความเห็นมันไม่ตรงนี่เองมนุษย์มันต้ง เ, เป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวลเนเี่ยก็ใส่วิชาพิธีมันเหมือนใส่รหัสให้เขาผิดนิดหนึ่ มันก็ไปใหญ่เลยแบบนี้ถ้าใส่ราคาถูกเนี่ยมันเดินถูกทางเลยแล้วนู้นอีเราใส่ตัวเองก็ผิดใส่คนอื่นก็ผิดแล้วคนที่ยังใส่ราคาตัวเองไม่ได้จะไปแนะนำคนอื่นเองมันก็ไปใหญ่เลยเอยในตัวเดงก็ยังมั่วอยู่เลยยังมั่วในในชีวิตอยู่เลยยังไม่ได้ดําเนินชีวิตมันเล็ดรูอะไรเลยดําเนินชีวิตถูกอะไรเลยแค่ทิ้งบอกว่าโอ้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ชัดชัดมากที่เรา ตรงนี้เราดำเนินผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าเราคับสอนแล้วมันถูกใช่มั้ยมันเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้บอกใครไม่ได้เลยยิ่งไปใหญ่เลยนะนต้องระวังตายดีใจผม